ด่าสาดใครบ่อยขึ้นเท่าไหรใจยิ่งถลำเข้าไปผัวพันกับเขามากขึ้นเท่า <gger> นั้นอย่าให้จิตหมกมุ่นกับอารมณ์อยากจิกัดด่าทอการด่าทอด้วยถ้อยคํารุนแรงการคุ้นคิดหาข้อมูลมาด่าการหมกมุ่นเลือกคําด่าด้วยความเมามันล้วนเป็นเหตุให้ในหัวอึ่งอ้นอยู่ด้วยถ้อยคําเหล่านั้น เมื่อสะสมถ้อยคำเกี่ยวกับสิ่งใดไว้มากชีวิตคุณย่อมผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นมากเป็นธรรมดาและมีสิทจจะพลัดจะผลูเอาตัวเข้าไปรวมกับสิ่งนั้นไม่ยากนักเรียกว่าจิตคิดถึงอะไรมากก็สร้างภพสร้างภาวะนั้นๆให้เข้าไปอยู่หรืออย่างน้อยเข้าไปใกล้ชิดมากอันนี้เป็นตรงข้ามกับความรู้สึกของคนทั่วไป นึกว่าด่าประจานใครแปลว่าฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนพันนั้นไม่มีทางเป็นคนพันนั้นแท้ที่จริงคือยิ่งด่าสาดใครบ่อยขึ้นเท่าไรใจยิ่งถลำเข้าไปผัวพันกับเขามากขึ้นเท่านั้นสำรวจใจตัวเองง่ายๆทุกครั้งที่ด่าทอทุกครั้งที่เย้ยหยันหรือทุกครั้งที่เพียงอยากถักทางดูแคลน ใจคุณจะตกอยู่ในอารมณ์มืดชนิดหนึ่งและเมื่อสังเกตเห็นความมืดชนิดนั้นบ่อยๆคุณก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ด้วยตัวเองว่ามันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆคล้ายมีอีกภาคที่มืดกว่าตัวจริงๆของคุณมาคอยบงการอยู่ข้างหลังให้ติดใจมองติดใจนึกถึงด้วยการจงเกลียดจงชังแล้วเมามันกับการคิดคาด่าไม่เลิกนั่นละ ว่าใกล้กับความเปลี่ยนเช่นนั้นแล้วอาถรรพ์ของอารมณ์มืดมีอยู่ประเภทประกาศว่าฉันไม่มีทางเป็นคนแบบแกเด็ดขาดไม่นานธรรมชาติมักจะส่งอะไรมาลองใจดูซิว่าถ้าตกอยู่ภายใต้ความกดดันแบบเดียวกับคนที่รังเกียจคุณจะยืนกรานไม่เป็นเช่นนั้น หรือชักจะเริ่มใจอ่อนคล้อยตามทีละน้อยเช่นที่เห็นกันดาาดื่นประเภทโจมตีศาสนาไหนงมงายอุตสาหหาข้อมูลดีๆมีเหตุผลหนักแน่นไปว่าเขาสุดท้ายพอชีวิตตัวเองไม่ได้บึกบึนอย่างที่คิดเจอสารพัดเรื่องราวกระนำให้อ่อนแอลงข้อมูลในหัวก็ย้อนกลับมาลากจูงไปหายอมบากหน้าไปพึ่งพาศาสนานั้นๆจนได้ เพราะ่าแท้คนเราย่อมเลหลวไหลไร้เหตุผลเพื่อความอยู่รอดดีกว่าก่อนเหตุผลและจมน้ำตาหายใจไม่ออกที่สุดแล้วใกลจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นไปนตามที่ด่าวไว้ขึ้นอยู่กับการเลือกหลังผ่านด่านลองใจถ้าใจไม่เป็นโจรต่อให้ไวเด็กถูกบังคับให้ขโมยของโตขึ้นก็เป็นตำรวจจนได้ ถ้าใจไม่ยอมเป็นรองต่อให้ชะตาบีบจนไม่มีจะกินก็เลือกกินตำแหน่งเมียหลวงถึงอดตายก็อยากให้คนจำว่ามางานศพเมียหลวงในแง่ของวิบากที่เป็นเรื่องของผลทันตาจริงๆกรณีที่ไม่พ่านดานลองใจกลายเป็นใครอีกคนที่ตัวเองเคยดา่าเป็นเรื่องของความละอายอับอายขายหน้า รู้สึกผิดเป็นทวีคูณมากกว่าอย่างอื่นข้าที่เคยด่าเขาอีเหนาเป็นเองหากคิดในทางกรรมก็ควรอยู่บนเส้นทางกรรมของความเมตตาแต่ถ้าเข็นเมตตาไม่ออกก็ไม่ต้องฝืนขอแค่อย่าให้จิตไปหมกมุ่นกับอารมณ์แค้นอารมณ์อยากจิกกัดด่าทอเพื่อถึงวันหนึ่งที่คุณอาจต้องลิ้มรสบรรยากาศชีวิตของคนอื่น คนที่อยากให้คุณเห็นใจหรือเห็นรายละเอียดชีวิตด้านอื่นของเขาบ้างคุณจะได้ไม่ต้องผออิดผะออมเหมือนที่ลหลายๆคนเป็นกัน